คำถามนี้ไหมว่าทำไมเราควรสนใจธรรมะหรือว่าควรจะปฏิบัติธรรมคำตอบหรือเหตุผลนี่มีมากมายนะแต่ในทัศนะของอัตมาเนี่ยเหตุผลหนึ่งที่เราควรสนใจธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมก็คือว่า ถ้าเรารักตัวเองเราต้องมันทำความดีแล้วก็ปฏิบัติธรรมคนทุกคนก็มักจะพูดว่าตัวเองรักตัวเองนะแต่ว่าปล่อยครั้งการกระทำ ของตัวเองเนี่ยมันกลับบ่งบอกว่าไม่ได้รักตัวเองเลยเพราะว่าสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองถ้าเรารักตัวเองจริงๆเนี่ยนะหรือว่าเรารักตัวเองอย่างถูกต้องเนี่ยสิ่งแรกที่ควรทําก็คือว่าการทําความดีอย่างเช่นการให้ทานการรักษาศีลเพราะว่าถ้าเราไม่รักษาศีลแล้วเนี่ยเอาเฉพาะศีลข้อ5เนี่ย มันจะเป็นการสร้างทุกข์ใส่ตัวถึงแม้ว่าการผิดศีลบางครั้งอาจจะให้ผลดีแต่ว่ามันก็เป็นผลดีแค่ชั่วคราวผลเสียที่ตามมามันหนักหนากว่าเรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียอย่างเช่นรักขโมยเนี่ยนะรักขโมยนี่ อาจจะได้เงินมาสามสี่พันสี่ห้าหมื่นแต่ว่าอาจจะลงเอยด้วยการติดคุกติดตารางซึ่งมันไม่คุ้มกันเลยเรียกว่าได้หนึ่งนะแต่เสียสิบหรือว่าการผิดสินข้อสามเนี่ยอาจจะให้ความสมหวังความสุขโชคคราวนะแต่ว่าอาจจะลงเอยด้วยการถูกทํร้าย ถึงพิการหรือว่าถูกยิงตายเป็นข่าวมากมายการลักขโมยการโกหกอาจจะสำเร็จประโยชน์ชั่วคราวนะแต่ว่ามันทำให้เราเสียความไว้วางใจความเชื่อถือก็ลดน้อยถอยลงสมัยเรียกว่าเสียเครดิตในวงการธุรกิจเนี่ยเขาพูดกันว่าเนี่ย เสียเงินยังไม่เป็นไรแต่อย่าเสียเครดิตก็แล้วกันนะเพราะเครดิตนี่มันมันหมายถึงความน่าเชื่อถือซึ่งถ้าคนไม่เชื่อถือแล้วนี่ก็เกิดความเสียหายมากมายหรือว่าการไม่การกินเหล้าเนี่ยอาจจะให้ความเพลิดเพลินชั่วคราวแต่ว่าผลร้ายมันหนักหนาแบบไม่คุ้มกันเลยเช่นอาจจะ เมามายขับรถชนคนตายหรือว่าตัวเองนั่นแหละตายเพราะชนสาไฟฟ้าหรือมีฉนั้นก็ความเจ็บป่วยมันสะสมลุกลามจกนกระทั่งกลายเป็นมะเร็งเสียทั้งเงินแล้วก็เสียทั้งสุขภาพจิ ต, ตการทำความดีเนี่ยมันเป็นการ รักตัวเองอย่างแท้จริงนะเพราะว่ามันนำความสุขมาให้หรืออย่างน้อยเนี่ยก็ไม่ทำให้เกิดวิบากขึ้นมาทำชั่วเนี่ยมันมันจะนำไปสู่วิบากและวิบากนี่มันเหมือนดอกเบีย้ยนะก็คือมันมันทบต้นไปเรื่อยๆผลได้จากการทำชั่วนี่นิดเดียวนะแต่ผลเสียมันมากมาย แล้วคนที่รักตัวเองเนี่ยถ้าพิจารณาใครค่ควรแบบนี้แล้วนี้ก็ก็คงเห็นว่าทําความดีดีกว่าอย่างน้อยก็รักษาศีล5้าเอาไว้นะคนที่รักตัวเองเนี่ยเขาย่อมทําความดีรักษาศีลศีลนี่มันไม่ใช่แค่เป็นประโยชน์กับคนอื่นเท่านั้นนะแต่เป็นประโยชน์กับตัวเองด้วยมันไม่เป็นการสร้างวิบากที่สะสม แล้วบางทีมันก็ยิ่งนามมันก็ยิ่งสะสมมากขึ้นจนกระทั่งมันทบต้นหรือว่าทวีตรีคูณเป็นหลายเท่าไม่คุ้มเลยแต่นอกจากการละชั่วทำดีแล้วเนี่ยบางครั้งคนเราก็ยังทุกอยู่นะทุกเพราะความโกรธความเศร้าความเสียใจตรงนี้การปฏิบัติธรรมมันก็จะช่วยมาก เพราะว่าคนที่บอกว่ารักตัวเองแต่ก็บ่อยครั้งนะก็กลับทำลายตัวเองด้วยการปล่อยให้อารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยมันครอบงำซ้ำเติมหรือว่ากรีดแทงจิตใจ ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นกับคนที่ทำความดีด้วยเหมือนกันทำไมเวลามีความโกรธเกิดขึ้นแทนที่เราจะรีบสลัดรีบปล่อยมันทำไมเราถึงเก็บมันเอาไว้ให้เผาลนจิตใจคนที่รักตัวเองเนี่ยเขาจะไม่ทาร้ายตัวเองแบบนั้นมีความโกรธความเศร้ายิ่งต้องสลัดมันออกไปให้เร็วที่สุด แต่ส่วนใหญ่ก็เก็บเอาไว้ให้มันเผาลนกรีดแทงจิตใจใจเราก็แปลกนะมันไม่เหมือนกับร่างกายนะร่างกายเวลาเจอความทุกข์นะเช่นเจอของแหลมหรือเจอของร้อนเช่นไฟเนี่ยเกิดมือเราไปถูกน้ำร้อนหรือ้นาแหลมเนี่ย มือเราจะรีบถอนรีบดึงออกมาเลยไม่ต้องสั่งนะมันจะรีบชักมือออกเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่เจ็บเพื่อจะได้ไม่ร้อนนะแต่ใจเราตรงกันข้ามเลยนะเวลาเจอไฟโทรสะมันกลับคลอเคลียอยู่นะกลับเราะประคบประงมไฟโทรสานั้นเนี่ย ไม่ค่อยแทนที่จะรีบถอนจิตออกมาจากไฟโทสะนี้กับนะกับจมนะอยู่กับไฟนั้นความเศร้าเสียใจยก็เหมือนกันฉนะะนั้นที่ความเศร้านี่มันก็ไม่ได้เป็นคุณกับใครเลยแต่ทำไมเราถึงจับประครับประคองนะประกอบประง ม, มันเอาไว้ บางทีก็ให้เหตุผลได้นะว่าเราควรจะเศร้านะเพราะว่าคนรักของเราจากไปแล้วถ้าเราไม่เศร้าก็แสดงว่าเราไม่รักเขาการแสดงความรักก็คือต้องเศร้าหรือว่าต้องทำ้ายตัวเอง เราก็คงทราบใช่ไมว่าความเศร้าก็ดีความโกรธก็ดีเนี่ยมันไม่ใช่เพียงเน่ยให้ทุกข์ใจเท่านั้นนะแต่ว่ามันทำให้ทุกข์กายด้วยคนที่โกรธมากๆนี่ก็ความดันก็จะขึ้นนะแล้วก็มีอาการต่างๆมากมายเช่นปวดหัวปวดท้องเรื้อรังมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่เจ็บป่วยโดยที่หาสาเหตุทางกายไม่พบ อย่างมีผู้หญิงคนหนึ่งก็อายุไม่มากก็ไปหาหมอเข้าๆออ ก, ออกโรงพยาบาลอยู่อย่างนั้นแหละด้วยสาเหตุที่ว่าปวดหัวเรื้อรังแล้วก็ปวดท้องเรื้อรังด้วยเป็นมาหลายปีความดันก็ขึ้นแต่หมอนี่หาความผิดปกติทางกายไม่พบหมอก็แปลกใจมันเป็นอะไร เกือบจะถอดใจอยู่แล้วเสร็จนะ แ, แล้วก็เกิดได้คิดขึ้นมา mm hmm. ก็เลยถามผู้หญิงว่าไหนช่วยเล่าประวัติให้ฟังหน่อยนะเธอก็เล่าว่าเธอเป็นเด็กกำพร้าพ่อกาพร้าแม่ก็มีพี่สาวสองคนดูแลแต่เวลาพูดถึงพี่สาวนี่ก็สแสดงอาการโกรธนะสแสดงความโกรธอย่างเห็นได้ชัด หมอก็เลยรู้ว่าเนี่ยปัญหาของพี่มื่วันนี้คือว่าเขาเขาโกรธเขาน้อยใจพี่สาวคือพี่สาวไม่ได้ดูแลเขาไม่ค่อยได้ใส่ใจเขาเขาก็เกิดความน้อยใจและโกรธหมอแนะนําว่าให้เขาให้อภัยคนไข้กลับไม่พอใจที่หมอแนะนําอย่างนั้นแทนที่จะให้ยากลับมาบอกเขาให้ให้อภัย เป็นหน้าที่ของหมอที่จะให้ยาเขาหรือรักษาเขาไม่ใช่มาบอกว่าให้เขาควรทำอะไรก็ไปไม่มาหาหมอเลยจนกระทั่งหนึ่งปีต่อมาหมอก็ได้จดหมายจากคนไข้สมัยนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตคนไข้คนนี้ก็บอกว่าตอนนี้หายแล้วปวดหัวปวดท้องหรือลัง เพราะว่าทําตามที่หมอนแนะนําคือให้อภัยแล้วคนที่รักตัวเองนี่เขาต้องรู้จักให้อภัยนะเพราะว่ามันคือวิธีที่ทจะละความโกรธได้วิธีหนึ่งแต่คนจํานวนไม่น้อยเนี่ยไม่ยอมให้อภัยบางทีก็ลึกในใจว่าเนี่ยนะถึงกูตายกูก็ไม่ยอมให้อภัยเด็กขาดอย่างนี้เรียกว่ารักตัวเองไหมในเมื่อ ยิ่งโกรธมากเท่าไหร่นะก็ยิ่งอยู่ร้อนนอนทุกข์สุขภาพก็แย่จิตใจก็คนจุนวนไม่น้อยเนี่ยปากบอกว่ารักตัวเองรักตัวเองแต่ว่าทำร้ายตัวเองตลอดเวลาด้วยการปล่อยให้อารมณ์เนี่ยเข้ามาครอบงำซ้ำเติมจริงอยู่นะมันมีคนบางคนเขา ทำไม่ดีกับเราเช่นเขาโกงเงินเราไปนะหรือว่าเขาทำร้ายเรานะแต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะซ้ำเติมตัวเองด้วยการที่จะเอาความโกรธความเศร้าความเสียใจเนี่ยนะมาเล่นงานจิตใจของตัวเอง บีบังคนนี่พอรู้ว่าเพื่อนนี่โกงเงินไปแกเครียดเลยเครียดจนไม่เป็นอันทำงานเราลองมาคิดดูนะในเมื่อเราเสียเงินไปแล้วเนี่ยก็ควรจะเสียอย่างเดียวคือเสียแค่งเงินทำไมเราต้องเสีย ปล่อยให้ใจเสียด้วยใจเสียไม่พอนะเสียสุขภาพอีกเพราะว่ากุ้มใจจนนอนไม่หลับเครียดเสียสุขภาพไม่พอนะเสียงานอีกไม่มีสมาธิกับการทำงานหรือบางทีป่วยเพราะว่าเครียดงานก็เสียถ้เาเครียดมากๆ แค้นหุดหงิดเวลาอยู่กับลูกก็ระบายอารมณ์ใส่ลูกเวลาอยู่กับแฟนก็ระบายอารมณ์ใส่แฟนหุดหงิดใส่เพื่อนสัมพันธภาพก็เสียอีกนี่เรียกว่าซ้ําเติมตัวเองนะเพราะว่าคนอื่นนี่เขาเพราะว่าแทนที่จะเสียแต่งเงินนะ เราปล่อยให้เสียทั้งใจเสียทั้งสุขภาพเสียทั้งงานเสียทั้งสมัรธภาพคนอื่นเนี่ยทำได้แต่โกงเงินเราไปแต่เขาไม่สามารถทำให้เราใจเราทาให้ใจเราเสียทำให้สุขภาพเราเสียงานเราเสียแล้วก็สมันธภาพเสียไปไม่มีนะเขาทำไม่ได้ แต่ที่มันทาคนที่ทำได้ก็คือตัวเรานั่นแหละและที่มันเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเราปล่อยให้อารมณ์เนี่ยมันครอบงามจิตใจแล้วคนที่รักตัวเองนี่เขาจะไม่ยอมปล่อยให้อารมณ์มันครอบงำจิตใจอย่างนั้นเขาจะหาทางที่จะสลัดอารมณ์นั้นให้ออกไปจากใจ มันึกดูเนี่ยคนเราเนี่ยซ้ำเติมตัวเองมากนะแทนที่จะระวังรักษาจิตใจให้ให้ดีนะกลับปล่อยจิตใจจนกระทั่งมันก่อปัญหาลุกลามมีสามีภรรยาคู่หนึ่งก็รักกันดีนะแต่ว่าวันหนึ่งภรรยาเพราะว่าตัวเองเป็นมะเร็งสามีเครียดเลย ความเครียดส่วนหนึ่งก็เครียดจากการที่รับรู้ว่าภรรยาป่วยความเครียดส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการที่ต้องดูแลภรรยาบอากว่าในสตร น, นี้ความเครียดก็มากขึ้นจนกระทั่งสามีเนี่ยเซลล์ในสมองแตกกลายเป็นอัมพาตไปเลยก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่เขาจะช่วยภรรยา ซึ่งกําลังเจ็บป่วยกับกลายเป็นว่าภรรยาต้องกลับมาดูแลเขานะเรียกว่าซ้ำเติมตัวเองแล้วก็ซ้ําเติมภรรยาด้วยตัวเองแทนที่จะเหนื่อยกายกับการดูแลภรรยาแต่ว่าใจไม่เหนื่อยนะปรากฏว่าเหนื่อยทั้งกายแล้วใจก็แย่พอใจแย่ก็ทําให้กายนี้สุดนะจนเป็นอมาาัมพาต ถามว่าใครทำให้เป็นนามาภาพนะไม่มีใครทำมันนะแต่เป็นเพราะว่าใจที่เป็นเพราะการที่ไม่รู้จักรักษาใจก็เลยกลายเป็นการทำร้ายตัวเองคนเราถ้ารักตัวเองไม่ถูกต้องนะก็สามารถจะทาร้ายตัวเองได้หลายวิธีด้วยกันตนะั้งแต่การติดศีล ทำชั่วจนกระทั่งถึงการที่ไม่รู้จักนะรักษาใจของตัวให้เราจะรักษาใจของเราได้อย่างไรนะรักษาใจก็ด้วยการภาวนามีสติรู้ทันอารมณ์อกุศลที่ครอบงำใจถ้ารักตัวเองเนี่ยจะต้องไม่ไม่ยอมนะปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันเล่นงานจิตใจ หรือไม่ไปช่วยยึดอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมาทํำลายตัวเองต้องเรียกว่าช่วยยึดนะเพราะว่าบางทีมันก็ผ่านไปแล้วนะแต่ก็ไปคิดนะไปเอาเรื่องที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมารบกวนจิตใจบางทีเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นก็ไปช่วยมาอย่างบางคนเนี่ยก็กาลังทุกข์นะ กังวลว่าลูกเนี่ยจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ไ, ได้ไหมทั้งๆ ท, ที่มาอีกต้องหลายเดือนอีกต้องเจดปเดือนแต่ว่าก็ทุกไปก่อนแล้วเพราะว่าปรุงแต่งว่าเนี่ยลูกอาจจะสอบเข้าไม่ได้แล้วตัวเองทุกข์เพราะความกังวลก็ยังไม่รู้ตัวนะก็ยังจมอยู่กับความกังวล คนมาชวนให้ไปอ อ, อกกําลังกายให้ไปผ่อนคลายอิเลีย บ, บทให้ไปเที่ยวที่ก็ไม่ยอมบางคนเวลาเศร้าพอเสียคนรักเนี่ยก็พอใจที่จะจมอยู่ความเศร้าเจ้าจุกมีเพื่อนมาชวนให้ไปเที่ยวก็ไม่ไปรู้สึว่าเขานะอยากจะอยู่กับความเศร้า อันนี้คือการทำลายตัวเองปล่อยให้อารมณ์อกุศลครอบงาใจแะสุดท้ายบางทีก็เจ็บป่วยเลยนะบางคนหนักกว่านั้นข่าตัวตายที่ข่าตัวตายเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ป่วยกายนะแต่ว่าทุกข์ใจทุกข์ใจเพราะปล่อยให้อารมณ์มันครอบงาอย่างนี้จะเรียกว่ารักตัวเองไหมงั้นถ้าเรารักตัวเอง อย่างถูกต้องหรือรักตัวเองจริงๆเนี่ยนะจะต้องกลับมาดูแลจิตใจอันนี้แหละคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องปฏิบัติธรรมเหตุผลหนึ่งะนะต้องปฏิบัติธรรมก็คือมั่นตามดูรู้ใจเพื่อไม่ให้อารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยเข้ามาครอบงำทำร้ายหรือซ้ำเติมจิตใจ การเจริญสติเนี่ยมันก็คือการนะสร้างปุ่มคุ้มกันหรือว่าปราการนะที่จะป้องกันรักษาใจไม่ให้เป็นทุกข์ช่วยจิตใจผ่องแผ้วเป็นตัวช่วยจำกัดความทุกข์ไม่ให้ขยายตัวเช่นเวลาป่วยกาย เวลาเจ็บป่วยก็ป่วยแต่กายนะใจไม่ป่วยเวลาเงินหายก็หายแต่เงินแต่ว่าใจก็ยังเป็นสุขได้เพราะรู้จักปล่อยรู้จักวางมันผ่านไปแล้วก็แม่เก็บเอามาคิดไม่คลำครวนกับมันถ้าจะย้อนไปในเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ใคร่ครวนนะแต่ไม่คลำครวน ใคร่ควรวนก็คือหาว่าเออพิจารณาว่ามันมีสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขยังไงบ้างเราพลาดยังไงเราถึงเสียเงินไปนะเราก็ได้ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ำสองอันนี้ทำได้นะถ้าเราใค ร, คร่ครวนแต่ปกติเราไม่ได้ใค ร, คร่ครวนเราคร่ำครวนมากกว่าแล้วเราก็เลยปล่อยให้อารมณ์เหล่านั้นทำร้ายตัวเราเอง นัสติเนี่ยมันช่วยจํากัดความทุกข์ความเสียหายไม่ให้ลุกลามมาถึงใจไม่ว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สมบัติของเราไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราหรือกับคนรักของเรานะแต่ว่ามันก็หยุดอยู่ตรงนั้นไม่ลุกลามมาที่ใจฉะนั้นถ้าเรารักตัวเองจริงเราต้องใส่ใจกับการ รักษาจิตใจของเราเนี่ยไม่ให้ไม่ให้ทุกข์เมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเราก็ไม่ทับถมตัวเองหรือซ้ำเติมตัวเองพระพุจาตัด ว, ว่าท่าทีหรือข้อพึงปฏิบัติต่อความทุกข์และความสุขเนี่ยข้อแรกคือว่าอย่าหาทุกข์มาทับถมตนทุกข์มาทับถมตนนี่ไม่ไม่เป็นต้องแปลว่า ไปทรมานตนอย่างพวกฤาษีชีไพรสมัยพุทธกาลแต่บางทีอันนั้นมันเป็นเรื่องการเอาทุกทางกายมาซ้ำเติมตัวเองแต่ส่วนใหญ่เราไม่ได้เอาทุกทางกายเราเอาทุกทางใจมาทับถมตัวเองแทนที่จะเสียแค่หนึ่งก็เสีย2เสีย3เสียสแทนที่จะป่วยกายก็ป่วยใจสุขภาพใจก็ แ, แย่ความสัมพันธ์ก็เสื่อมโทรม เมืเรารัตัวเองเราต้องฉลาดในการแก้ทุกข์ไม่ว่าทุกข์กายหรือทุกข์ใจนะและการปฏิบัติธรรมโดยเพราะที่เป็นการภาวนาจะช่วยได้ความทุกข์เหตุร้ายที่ผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านเลยไปไม่ช่วยมาเล่นเล่นเล่นงานจิตใจคำพูดที่ต่อว่าด่าทอเราก็ มันก็เหมือนกับลมปากนะก็คือว่ามาแล้วก็ไปแต่ทำไมเราทุกข้พอใจเราไปฉวยไปยึดเอาคำของคนเหล่านั้นเนี่ยมาเหมือนกับตอกย้ำซ้ำเติมตัวเองไม่ต่างจากการที่เรามีไปฉวยเอาเศษแก้ว เศษแก้วจริงถ้าเราวางไว้ในมือเฉยๆก็ไม่เป็นอะไรนะแต่ถ้าเกิดเราไปกำไปบีบมันเอาไว้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะมันก็เกิดแผลเลือดไหลเราจะโทษแก้วได้ไหมว่ามันทําให้เราเจ็บปวดโทษไม่ได้หรอกนะมันต้องโทษตัวเราเองที่ไปกําไปบีบมันเอาไว้แล้ ว, วคนสวยก็เป็นอย่างนั้นนะคนที่เรียกว่าผู้รักตัวเองรักตัวเองเนี่ยแต่ว่าชอบไป กำไปบีบแก้วให้มันเจ็บเศษแก้วนัน่นหมายถึงคำพูดของคนที่มันผ่านไปแล้วหรือเหตุลายที่มันผ่านไปแล้วความทรงจํามันเจ็บปวดแต่เราก็เอามาเฝ้าคิดเฝ้าครุ่นเสร็จแล้วใครทุกข์ก็เราทุกข์เนะี่ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าว่าเรารักตัวเองจริงๆเนี่ยเราต้องนะต้องสลัด แก้วออกจากมือนะปล่อยมันแค่ปล่อยมันไม่ต้องก ร, ร ม, มันก็มันก็ทำอะไรไม่ได้หรือก็ไม่ต้องเจ็บปวดเพราะมันเัืงการปล่อยการสลัดอารมณ์อกุศลเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยเป็นสุขไม่ทุกข์ได้คนที่รักตัวเองต้องทำอย่างนี้ต้องใส่ใจกับเรื่องนี้และนี่คือผลนะที่เราต้องมาปฏิบัติทำต้องมาภาวนา แล้วก็คำนี้ก็พูดเท่า น, นี้นะจะพาพร้อมกัน